ก็กราบบูชาพระธนตรัยก็กราบครวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อรำรเขียนก็กราบนักศการอาจารย์ทรงศินอเตรานุเทระพันเตและเพื่อนสาธรรมิกและขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกา ที่ได้มา <c oughs> อยู่ร่วมกันที่วัดป่าสุกตในวันนี้ <c oughs> วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2555ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน11ปีมะโรงถ้านับเวลาก็ ตอนนี้ไปอีก4วันนะก็จะเป็นวันออกพรรษานะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสมมตินะหรือกำหนดนัดหมายนะที่ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันที่วัดพาสโกโตหลายท่านนะก็ลางงานลาการม า, าบวช นะเมื่อออกบรรษาไปแล้วนะก็คงจะลาศิกขาไปนะใช้ชีวิตนะตามปกตินะในโลกนะที่เราเคยอยู่เคยเป็นในส่วนของนะพระภิกษุบางส่วนนะก็คงจะยังอยู่ไม่ไนะด้ไปไหนญาติโยมบางส่วนนะก็คงยังอยูนะ่บางส่วนก็คงจะกลับไปที่บ้าน นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเรื่องเวลานะเป็นเรื่องที่เราสมมติกันขึ้นมานะว่าเมื่อถึงเวลานั้นเวลานีนะ้เราควรทำอะไรนะแล้วเวลาต่อไปเราจะทำอะไรนะหลายท่านนะก็คงมีโครงการมีความคิดนะที่จะไปทำสิ่งต่างๆต่อไปนะในอนาคตนะในวันข้างหน้า นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมดานะที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะไม่หลงลืมนะก็คือการกลับมารู้สึกตัวนะนี่เป็นสิ่งสาคัญนะที่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนแลนะก็เป็นวันแห่งความรู้สึกตัวหรือเป็นช่วงขณะแห่งความรู้สึกตัวนะเพราะสิ่งนี้นะเป็น สิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นมีความสดนะมีความสดชื่นนะแล้วก็เข้าใจชีวิตนะเข้าใจความทุกข์นะเข้าใจสิ่งที่เราจะออกจากความทุกข์ได้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะหลายท่านนะก็คงได้ฝึกฝน ตัวเองเจริญสติทำความรู้สึกตัวอยู่อยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าจะเปรียบไปแล้วมันก็เป็นธรรมะที่กระทัดรัดแล้วก็เป็นสิ่งที่น้าที่จะได้กระทำสืบต่อไปโดยที่เรา ไม่ท้อทิ้งนะไม่หลงลืมแม้ว่าจะอยู่ที่วัดป่าสุกโตก็ตามหรือกลับไปที่บ้านแล้วก็ตามนะหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยคุ้มครองนะกายใจของเราให้เป็นปกตินะจริงๆเนี่ยธรรมชาตินะให้รางวัลหรือให้ของขวัญ น, นะก็คือความเป็นปกติของกายและใจ มาแก่เราแต่บางทีเพราะความที่เราหลงลืมนะลืมตัวไปไปเพลิดเพลินนะกับสิ่งต่างๆภายนอกนะเป็นความสุขสนุกสนานนะที่มีได้มาประสบพบเห็นในโลกนะไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานนะที่เราได้เห็นอะไรสวยๆ ได้เห็นอะไรสนุกๆหรือเราได้ยินสิ่งที่บันเทิงเริงใจทำให้เราตื่นเต้นหรือแม้แต่การที่เราได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยถูกใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขามีอยู่ในโลกซึ่งเราก็คงจะคุ้นเคยกันดีและไอความรู้สึกเพลิดเพลินนี่แหละ มันจะทำให้เราเผลอทำให้เราเพลินเราลืมตัวไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราที่จะต้องไปยึดไปถือแล้วก็ทำให้หนักหนักขึ้นมาซึ่งก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นความรู้สึกตัวหรือว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้เราได้สัมผัสกับ ของขวัญนะที่ธรรมชาติให้มาก็คือความเป็นปกติของใจนั่นเองเมื่อใดก็ตามที่เราเผลอเราไม่รู้ตัวเราเพลิดเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะที่มากระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็ส่งมาที่ใจนะเมื่อนั้นนะเราก็จะตกจมนะอยู่ในกะอารมณ์ที่ สุขบ้างทุกบ้างนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราคงจะสัมผัสกันอยูนะ่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ว่าเราจะอยู่ในวัดป่าสุกโตก็ตามนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะได้ปรากฏนะหรือได้แสดงนะให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีดวงตาแหลมคมนะก็คือมีความรู้สึกตัวนะที่ชัดเจน นะจึงจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ผู้ที่ไม่ได้เจริญสตินะหรือไม่ได้ฝึกหรือไม่ได้อบรมเรื่องพวกนี้นะก็ จ, จะมองไม่เห็นหรืออาจจะมองไม่ชัดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะตัวผระพรหมเนตรมาเองนะที่เคยมีชีวิตนะในเพศคารวาสนะกเ็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะบางครั้งเราก็รู้ตัวบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวนะเมื่อไม่รู้ตัวเราก็เพลิดเพลิน ในอารมณ์ต่างๆในสิ่งต่างๆแวดล้อมโดยเฉพาะชีวิตในโลกในสังคมภายนอกโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นมากมายที่จะชวนให้เราหลงลืมตัวไม่ต้องอะไรตอนนี้อีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วเราก็จะได้ยินเสียงประทัดบ้างได้ยินเสียงเพลงบ้าง นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อการเฉลิมฉลองนะของอคนในสังคมทั่วไปนะซึ่งสิ่งเหล่านีนะ้เราก็มีความเชื่อว่ามันเป็นความสุขนะเป็นความสนุกสนานนะเป็นสิ่งที่เราจะให้รางวัลกับชีวิตนะซึ่งความสุขแบบนั้นนะก็ไม่แน่นอนนะมันมีชั่วงระยะเวลาหนึ่งนะที่เราจะมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้นร้าใจ นะแต่เมื่อเรามาทำความรู้สึกตัวเนี่ยนะเราก็จะรู้เท่าทันกับความสุขสนุกสนานเหล่านี้นะว่ามันไม่มีความจีรังยั่งยืนนะมันมีมาแล้วก็มีไปนะแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆสนับสนุนนะจึงจะได้ความสุขแบบนั้นแต่เมื่อเรามาทำความรู้สึกตัวแล้วนะความสุขซึ่ง เกิดขึ้นจากความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นรางวัลชีวิตที่แท้จริงนะที่ธรรมชาติมอบให้มาเนี่ยเขาแสดงตัวของเขาอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่เราไม่ได้สัมผัสนะเพราะว่าเราไปมัวหลงเพลิดเพลินกับความสุขภายนอกนะไปวิ่งหาความสุขจากภายนอกนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยนะต้องหาเงิ น, นทองมาต้องใช้จ่ายไป ในเรื่องเหล่านี้นะเพื่อตอบสนองอความรู้สึกสุขนะอันเนื่องมาจากการได้สัมผัสนะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็ใจนึกคิดนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามาเจริญสตนะิมาทำความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยเราไม่ต้องเสียงเงินเลยนะและเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเรา เป็นความปกติสุขของใจที่มีอยู่แล้วไม่ต้องเสียเงินเสียทองเป็นการทำบุญสูงสุดเรียกว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดนะไม่ต้องเสียตังค์เลยซึ่งเมื่อวานท่านจันสุรินก็ได้พูดถึงการทำบุญมีตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การภาวนาและอย่างข้ออื่นอื่นอีก เพราะฉะนั้นในส่วนของการเจริญสติเนี่ยนะก็เป็นภาวนาใหม่นะก็คือการทำบุญนะด้วยการที่เรามาเรียนรู้นะความจริงนะของชีวิตการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเนี่ยจะทําให้เราเกิดสติเปิดปัญญานะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการรู้ความเป็นจริงการรู้ความจริงของชีวิต นะก็คือชีวิตเนี่ยมีความเป็นปกติอยู่แล้วนะก็ทำให้เราเมีความเข้าใจนะเป็นบุญสูงสุดนะเป็นทั้งบุญเป็นทั้งกุศลนะบุญกับกุศล น, นี่ต่างกันยังไงกุศลก็คือทาให้ฉลาดนะบุญก็ทำให้มีความสุขนะเพราะนั้นเป็นทั้งบุญทั้งกุศลเพราะฉะนั้นที่เขาโฆษณากันทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงออกพรรษาเนี่ยชวนให้ไปทำบุญที่นั่นที่นี่ นะจะได้บุญใหญ่นะจะได้บุญสูงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการโฆษณานะเป็นการชวนเชื่อนะแล้วเราก็ต้องเสียเงินเสียทองไปแตนะ่ถ้าเรามาเจริญสตนะิมาทำความรู้สึกตัวนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นบุญสูงสุดจริงๆแล้วไม่ต้องเสียเงินด้วยนะเพียงแต่ว่าเราต้องลงแรงกายแรงใจ นะที่จะต้องทนกับความทุกข์ยากความลำบากนะโดยเฉพาะยังยิ่งนะการฝึกเจริญสตนะิมันจะต้องทวนกระแสรหรือทวนความเคยชินจากประสบการณ์ที่ได้ติดตามพระอาจารย์ทรงศิลปไปจัดอบรมปฏิบัติธรรมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ได้เห็นเลยว่ า, าผู้ที่ฝึกปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะมักจะ บางคนนะอาจจะท้อถอยนะเพราะว่าเมื่อฝึกเจริญสติใหม่ๆเนี่ยก็จะทุกข์ยากนะปวดเมื่อยนะเบื่อนะเพราะว่าทำซ้ำๆซักๆานะบางทีก็ปวดเมื่อยแนะบางทีก็ฟุ้งซ่านนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคนที่ยังไม่เคยนะหรือคนที่เคยฝึกมาบ้างเนี่ยบางทีก็ทนไม่ไหวนะก็ต้อง ถ อ, ถอดใจเหมือนกันนะอย่างไปที่เชียงใหม่ก็มีมีอยู่คนหนึ่งนะก็ทนไม่ไหวนะก็อ้างว่าเป็นไมเกรนบ้างอะไรบ้างนะก็ต้องขอกลับไปวันแรกเลยนะนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะแต่ว่าคนอื่นๆนะที่มาฝึกเนี่ยก็วันแรกๆนี่ดูเหนื่อยดูหนักนะดูยากลำบากมากนะแต่เมื่อผ่านไป 2วัน3ามวันเออดีขึ้นละนะก็เรียกว่าเบาขึ้นนะไปที่หอจดหมายเหตุจันพุทธธาตนะออคนกรุงเทพปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็มีความสนใจเรื่องการฝึกจิตมากนะมีคนไปประมาณ150ยหาคนนะตรงนั้นก็แรกแรกก็เหนื่อยยากลำบากนะทุกยากเหมือนกันนะแต่ก็พออยู่วันที่สองนะก็ดีขึ้น เพราะฉะนั้นเจนได้ว่าการที่เราจะมาทําบุญใหญ่เนี่ยนะมันไม่ได้ทําง่ายๆหรอกนะมันก็ต้องลงทุนลงแรงกายแรงใจนะมีความอดทนนะที่จะผ่านนะความยากลําบากนะทั้งทางกายและทางใจจริงๆความทุกข์ยากนะที่แสดงให้เห็นนะตรงนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นทุกขกรลิยาสัตว์จริงๆเป็นสิ่งที่ปรากฏ ให้เราได้เห็นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนมักจะหันหลังนีนะซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายเพราะว่าธรรมะเนี่ยเขามาแสดงให้เราเห็นแล้วนะก็คือความทุกข์นะทุกทางกายทุกทางใจนะซึ่งทุกเนี่ยเราเรารู้เท่าทันเขานะเราไม่สามารถจะละได้แต่สิ่งที่เราจะมองรึกลงไปก็คือดูว่า ทุกนี้เกิดจากอะไรมีสาเหตุอะไรนะแล้วเราก็ไปละตรงสาเหตุนั้นอย่างกรณีของความเจ็บความปวดความเมื่อยเนี่ยนะมันก็เป็นทุกประจําสังขารนะที่ทุกคนจะต้องเป็นนะหรือแม้แต่ความคิดนะความหมกมุ่นความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาเหานอน น, ะนีก็เป็นทุกที่ออจอนมานะเป็นครั้งเป็นคราว นะเดี๋ยวมาก็แล้วก็ผ่านเลยไปเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฝึกเจริญสตินะมีความรู้สึกตัวนะก็จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แต่ผู้ที่ไม่ได้ฝึกจะผู้ไม่ได้ฝึกเจริญสตนะิไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยนะเมื่อเจ็บปวดนะก็มีความรู้สึกทรมานนะคือมันปวดกายมันส่งไปถึงใจด้วยนะก็คือมีความรู้สึกว่า ตัวเราปวดตัวเราเจ็บตัวเราเมื่อยเราทนไม่ได้นะตรงนี้เนี่ยนะเพราะเราเผลอไปเราไม่รู้เท่าทันความจริงตรงนี้ไม่รู้เท่าทันความจริงของกายนะที่เขาจะแสดงอาการออกมานะเราก็เลยถอนตัวออกมาไม่ได้เราก็ปล่อยวางไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้สึกตัวนั่นเองเราไม่มีสติสัมปชัญญะพอเราไม่รู้เท่าทันความจริงของ กายในส่วนของใจก็เหมือนกันนะในส่วนของใจเนี่ยนะการที่เรามีความคิดฟุ้งซ่านก็ดีความง่วงเหงาหานอนก็ดนะีนี่ก็เป็นอาการนะที่เขาจะแสดงออกมานะซึ่งก็ไม่ได้ยั่งยืนนะมันก็มาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ผ่านไปคนที่ไม่ได้เจริญสติไม่ได้ฝึกนะจิตมาดีเนื้อมงะง่วงนอนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการที่กลับไปนอนดีกว่า นไม่ฝืนน่าไม่ทนไม่พยายามน่าก็โดนความง่วงนีครอบงำน่าก็ต้องกลับไปนอนพี่นอนดีกว่าไม่สู้ละน่าซึ่งตรงนี้ก็ทาให้เราอ่อนแอเกินไปน่าเราไม่สามารถที่จะไปเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้หรือความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นธรรมดานาหน้าที่ของ จิตอันหนึ่งก็คือเขาคิดนะคิดไปเรื่อยนะเป็นหน้าที่เป็นงานของเขานะที่เขาจะทำไปแต่หน้าที่ของเราก็คือเรากลับมารู้สึกตัวเราไม่ไปตามความคิดความคิดเนี่ยสร้างสภาพการสร้างความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมามากมายนะแล้วก็มีหลายรูปแบบนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเราก็จะตกจมไปอยู่ในความคิด ไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวดีชัดคมมองเห็นรู้เท่าทันเนี่ยเราก็จะไม่ไปตกจมอยู่ในกระแสของความคิดนั้นเขาจะคิดกัเรื่องของเขาเราไม่สนใจเมื่อเราไม่สนใจเนี่ยเดี๋ยวความคิดมันอ่อนกำลังไปเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องพร้อมที่จะประชิญ เผชิญกับความจริงไม่ต้องหลีกหนีไม่ต้องกบเกลื่อนนะคนที่ไม่ได้ฝึกสติเนี่ยนะก็พยายามกบเกลื่อนด้วยการหากิจกรรมต่างๆนามาทำนแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นความจริงเหล่านี้นะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้น่าเสียดายน่าเสียดายที่ธรรมะได้มาปรากฏได้มาแสดงให้เราเห็นแล้วนะแต่เราไม่ดูนะสายที่ไม่ดูก็เพราะเราไม่รู้นะเราไม่รู้เราไม่ได้ฝึก เพราะฉะ น, นั้นการที่เรามาฝึกจเจริญสตนะิมาทำความรู้สึกตัวเนี่ยนะถือว่าเป็นการที่เราได้พัฒน า, าได้สร้างจริงๆไม่ได้สร้างหรอกนะเป็นสิ่งที่เราปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันตื่นขึ้นนะให้มันทำหน้าที่ของมันนะให้มันรู้เท่าทันกับความคิด นะเมื่อเรารู้เท่าทันกับความคิดเทนะ่าทันกับอารมณ์แล้วนะจิตมันก็จะเป็นปกตนะิซึ่งเป็นธรรมชาตนะิเป็นสภาพธรรมนะที่มีอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นรางวัลหรือเป็นของขวัญนะที่ธรรมชาติให้กับเรานะแต่บางทีเราหลงลืมไปนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตนะอยู่ที่วัดป่าสุขโต ได้มาเจริญสติได้ฝึกฝึกจิตโดยเฉพาะยังยิ่งวิธีการฝึกแบบหลวงพ่อเทีย น, นที่ได้แนะนำนั้ น, นก็เป็นวิธีการที่ง่ายสั้นกระทัดรัดแล้วก็ทำได้ไม่ยากอะไรแต่ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้มันต่อเนื่องให้มันเป็นความเคยชินให้มันเป็นนิสัย นะก็คือความเคยชินที่จะกลับมารู้สึกตัวได้เร็วเนเมื่ออะไรเกิดขึ้นนะภายในร่างกายและจิตใจเรานะเรากลับมารู้สึกตัวให้ทันได้เร็วนะตรงนั้ น, นมันยากแลนะทำยังไงที่จะให้มันต่อเนื่องนะตรงนี้ก็ยากเหมือนกันงานะซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านนะก็แนะนาไปแล้วนะโดยเฉพาะเมื่อวานหลงพวอคำเขียนนะได้มา แสดงธรรมได้พูดนะเอ่อเท่าที่ตัวกระผมนิตามาได้สังเกตนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคาเขียนก็ดีท่านไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะพูดแต่เรื่องความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะบางคนบางท่านนะเมื่อได้ฟังแล้วก็ อ, อาจจะรู้สึกว่าเอ่อนะเป็นเรื่องเก่านะเป็นเรื่องที่พูดแล้วพูดอีกนะเง้จริงๆเนี่ย ถ้าเราฟังดีๆนะตรงนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะว่าการที่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พูดเนี่ยนะท่านได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติอารมณ์ของการปฏิบัตนะิคนที่มีพื้นฐานมีการปฏิบัติมาบ้างเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนะให้กำลังใจนะแล้วก็มีความตื่นตัวนะที่จะ พัฒนาหรือจะทำความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องกันไปนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะจะเป็นประโยชน์มากนะแม้ว่าท่านพูดคำเก่าพูดคำเดิมพูดเรื่องเดิมไม่มีอะไรใหม่เลยแต่คนที่ได้ฝึกนะจเจริญติเนี่ยนะการฟังแต่ละครั้งเนี่ยนะท่านพูดคำเดิมนะแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนใหม่อะ่ะนะ ที่มันใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ฝึกนะได้เจริญสตินะมันมีความละเอียดลออขึ้นมันมีความลึกซึ้งขึ้นในคาคาเดิมนะในสิ่งที่พูดอย่างเดิมนะก็ทำให้เรามีกําลังใจนะมีความตื่นตัวนะที่จะเจริญสติต่อไปนะเพราะนั้นตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่ตัวกระผมนิตา ม, มานะได้รับนะจากการได้ยินได้ฟังนะครูบาอาจารย์ นะแต่ละคนแต่ละท่านนะในช่วง เ, เกือบสามเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยหลายหลายท่านเขาคงได้ยินได้ฟังนะจากครูบาอาจารย์หลายท่านซึ่งก็มีธรรมะในหลายแงม่มุมนะซึ่งตรงนี้เราก็คงจะนำประโยชน์นะไปใชนะ้ในการที่จะส่งเสริมนะให้เกิดกำลังใจนะในการที่เราจะมาเรียนรู้นะชีวิตของเรา นะก็คือเรื่องกายเรื่องใจรู้ให้ทุกแง่ทุกมุมนะของกายของใจที่เขาจะแสดงออกมาเมื่อเราจเจริญสติได้บ่อยๆเรื่อยๆนะทําให้เกิดเป็นมิสัยเป็นความเคยชินเนะี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็จะมีความคมชัดนะแล้วก็จะเห็นสิ่งที่ละเอียดลออเข้าไปเรื่อยๆนะภายในจิตใจของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ ตัวกระพุมนิธรรมาเองก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเขาแสดงตัวอยู่แล้วธรรมะเนี่ยเขาปรากฏเขาแสดงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเร า, ายังไม่แหลมคมหรือยังไม่เฉียบคมพอหรือความรู้สึกตัวของเรานั้นยังไม่ชัดเจนพอเพราะฉะนั้นชีวิตที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยก็จะต้องพยายามายมีความเพียรพยายาม ในกะาที่จะ เ, เรียนรูนะ้ในการที่จะฝึกต่อไปเรื่อยๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพุทธองค์ก็ได้กล่าวไว้ในตอนสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานว่าท่านทั้งหลายนะจงถึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอิดนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคติเตือนใจนะที่จะให้เราไม่ประมาทนะก็คือมีสติสัมปชัญญะ มีความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเรื่อยๆทุกเมื่อเชื่อวันมันไม่เกี่ยวกับวันมันไม่เกี่ยวกับเวลาแม้ว่าจะออกพรรษาหรือจะเข้าบรรษามันจะเป็นวันหยุดหรือวันไม่หยุดก็ตามนะทุกวันถือว่าเป็นวันแห่งความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะจะทำให้เราได้สัมผัสนะได้รับรางวัลได้รับของขวัญนะที่ธรรมชาติมอบให้เพราะฉะนั้น การที่เราได้มาอยู่วัดป่าสุกโตแห่งนีนะ้เราได้ให้รางวัลให้ของขวัญแก่ชีวิตนะที่ธรรมชาติมอบให้แก่เราแล้วหรือยังและถ้าเราได้รับแล้วนะเราจะได้เอาของขวัญเหล่านีนะ้ไปกำนันแก่คนที่บ้านแก่คนที่เราคุ้นเคยแก่คนที่เรารู้จักนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผนะ่ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ คนอื่นๆต่อไปซึ่งตรงนีนะ้ก็น่าจะมีส่วนนะช่วยทำให้สังคมนะได้พบกับสันติสุขนะสามารถที่จะอยู่กันได้นะด้วยความสมัครสมานสามาคัคคนะีเกิดสันติสุขสันติภาพนะในสังคมต่อไปนะในท้ายที่สุดนีนะ้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรัย นะอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆนะ์พระพุทธก็คือความรู้ตื่นเบิกบานที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจรงิงนะที่มีอยู่แล้วนะที่เราจะสัมผัสได้ด้วยสติด้วยปัญญาและพระสงฆนะ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะการเรียนรูนะ้ที่ตัวเราลงไปตรงๆนะด้วยคุณของ ภาษีรันตนไตรทั้งสามประการนี้ด้วยความเพียรพยายามของทุกท่า น, นาที่ได้ลงทุนลงแรงลงกายลงใจไปจงเป็นพลวัปัจจัยให้ทุกท่า น, นาได้พบกับที่สุดแห่งทุกคือความเป็นปกติของใจซึ่งเป็นของขวัญทร่อเป็นรางวัลที่ธรรมชาติมอบให้กับเราโดยทั่วกันทุกท่านเทินเจริญพร